เคยฟังเคยหกล้มไหยเวลาเดินอยู่หรือวิ่งอยู่เนี่ยเวลาเราหลักไม่ดียืนไม่ดีเดินไม่ดีหลักไม่ดีเนี่ยเราก็ล้มเซลงไปได้หลักมันเป็นสิ่งสำคัญหลักนี่มันคืออะไรก็คือการที่เรามั่นคงไม่หวั่นไหวแล้วก็ไม่โอนเอนเวลาเรามีหลักที่ดี เราจะเดินก็ได้เราจะวิ่งก็ได้ถ้าเปรียบเทียบเป็นการทำงานก็คือเรามีความรู้ที่ดีมีความรู้ที่ตรงกับงานก็คือหลักมีหลักในการทำงานมีหลักมีความรู้ถ้าในการบริหารก็คือมีหลักเกณฑ์แน่นอนในการที่เราจะบริหารจัดการต่างๆไปพอเรามาพูดถึงธรรมะเนี่ย มันก็ต้องมีหลักเหมือนกันแล้วหลักของธรรมะเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรกันภาพลักของการปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมไปเนี่ยเวลาที่เราเริ่มเหมือนผู้ใหม่เนี่ยก็จะมีภาพที่เราได้รับรู้ทางสื่อต่างๆว่าวัดเป็นยังไงสังคมของวัดเป็นยังไงสังคมของการที่ครวดเข้ามาปฏิบัติธรรมเราก็จะเห็นอยู่ตามสื่อบ้าง เราก็จะมีภาพลักษณ์อยู่แบบหนึง่งแต่เวลาที่เราได้มาคลุกคลีเข้าวัดนู้นออกวัดนี้ได้มาปฏิบัติทม ว, วัดนู้นวัดนี้ได้ทาบุญได้สั่งสนทนากับพระหลากหลายเนี่ยเราก็จะได้เห็นภาพลักษณ์ที่มันดีแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นคือพูดง่ายๆคือได้เห็นภาพที่มันทั่วถึงมากขึ้น ได้ภาพที่ตามความเป็นจริงมากขึ้นก็ไม่ใช่เฉพาะวัดนะเวลาที่เราเข้าไปคลุกคลีในวงการไห น, ไหนๆเนี่ยเราก็จะเห็นภาพที่มันชัดเจน ข, นขึ้นของวงการนั้นๆ น, น, นะอย่างเช่นเราเข้าไปในวงการของอาหารเนี่ยมันก็มีหลายอย่างละทีนี้ไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยอาหารฝรั่งอาหารจีนเป็นต้นเวลาที่เราเจาะลึกลงไป ในอาหารจีนเป็นต้นเงี้ยเราก็จะโอ้มันก็มีดีๆหลายอย่างอย่างที่เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นมาก่อนเทคนิควิธีการที่เขาจะทำอาหารชนิดนั้นๆขึ้นมาซึ่งเราก็โอ้มันก็มีวิธีแบบนี้เนาะทำให้มันได้รสชาติสีสันกลิ่นที่มันประณีตขึ้น ก็ย้อนกลับมาที่ปฏิบัติธรรมเวลาที่เราเข้ามาแล้วเนี่ยเข้ากลุกวงในแล้วเนี่ยเราก็จะได้ภาพลักษณ์ที่โอ้โหมันมีเยอะแยะมากมายเลยกิ่งก้านสาขาต้องปฏิบัติแบบนี้ปฏิบัติแบบนั้นเพื่อให้ได้แบบนี้แบบนั้นภาพลักษณ์เราก็จะมีมุมมองที่เปลี่ยนไปมีมุมมองที่มันบางคนอาจจะคิดว่ากว้างขวางขึ้น บางคนก็อาจจะคิดว่าโอมันเรขเด็ดแล้วอ้ออาจจะดีหรือไม่ดีก็อันนี้ก็สุดแล้วแต่ถ้าชอบก็ดีถ้าไม่ชอบเราก็จะรู้สึกว่ามันไม่ดีเพื่อไงก็คืออยากจะชี้ให้เห็นว่าเราเข้ามาแล้วภาพลักษณ์ก็เปลี่ยนไปก่อนเข้ามาก็มีภาพลักษณ์แบบหนึง่งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยวัตถุประสงค์ของการเข้าเนี่ย เราก็ลองถามตัวเองดูว่าเราเข้ามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่ออะไรบางคนก็อาจจะตั้งเป้าไว้เออเราทําบุญเราจะได้มีอามิต ท, ที่มันได้มาจากบุญที่เราทําไวมีอ น, นิสงส์ที่เราได้มาจากการทําบุญให้ทานอย่างนี้อย่าง น, างนี้อันนี้ก็เป็นแบบหนึ่งที่คนเข้าวัดกันแต่คนเข้าวัดที่เริ่มที่จะศึกษามากขึ้นเนี่ยก็จะรู้ว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่พระเจ้าตรัสเนี่ยก็คือ ต้องการให้คนเนี่ยมีความสุขมากขึ้นในชีวิตหรือพื่ออีกแง่นึงก็คือมีความทุกข์น้อยลงนี่แหละซึ่งสาหรับคนที่เข้ามาโดยที่มีวัตถุประสงค์ที่มันตรงแล้วเนี่ยเราก็จะพบว่ามันก็มีวิธีการที่หลายแบบหลายอย่างมากให้เราเลือกใช้แล้วผลมันก็มีเรียกเหมือนเราไปนั่งรถจากกรุงเทพไปเชียงใหม่เียมันก็มีแวะได้หลายที่ หลายจังหวัดนะมอนนั่งรถมาอุดรเงี้ยก็ต้องผ่านทั้งสระ บ, บุรีผ่านโคราชผ่านขอนแก่นกว่าจะมาถึงอุดรก็คือถ้าจะมาที่อุดรเนี่ยมันต้องผ่านก็คือผลของการที่เราขับรถมาก็ต้องผ่านจังหวัดนน้นจังหวัดนี้มาเรื่อยๆเราก็จะได้เห็นอ๋อไม่ใช่มีเฉพาะกรุงเทพหรออุดร น, นะรายรายปายทางเนี่ยมันก็จะมีทั้งสระ บ, บุรี ทังโคราชทั้งขอนแก่นอยู่ด้วยก็ได้ภาพที่มันชัดเจนขึ้นพูดมายืดยาวนี่ผู้ฟังก็คงจะงงๆแนะพูดอะไรอยากจะสื่ออะไรก็คืออยากจะสื่อว่าเวลาเราเข้ามาปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยรายละเอียดเราก็ได้มากขึ้นแต่สาคัญก็คือหลักของเราเนี่ยหลักของเราที่เราจะมั่นคงขนาดไหนนะไม่ให้เราเสียหลักถ้าหลักเราเสียเนี่ย เราก็เหมือนแพที่มันแตกมันก็ลอยเคว้งคว้างไปท่ามกลางมหาสมุทรมันก็ไม่ถึงฝั่งสักทีหนึง่งเพราะเราไม่มีหลักถ้าเราหลักดีเราก็เหมือนคนที่มีหางเสือหางเสือเรือที่เรากาหนดทิศ ท, ทางได้มีคนชี้บอกว่าทางนี้นี่คือทางที่มันจะไปขึ้นฝั่งได้เราก็ตั้งหน้าตั้งตาพยาพยามพยายามทำไปพายไป ให้มันถึงฝั่งให้ได้หลักก็เลยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่นี้หลักมันก็แยกย่อยได้หลายๆส่วนส่วนหนึ่งของหลักเนี่ยก็คือเป้าหมายเป้าหมายของเราเนี่ยเราก็ต้องตั้งทงเอาไว้อย่าให้เป้าหมายของเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปมันคลักเคลื่อนไปถ้าเราตั้งเป้าไว้อยู่ที่เราจะเป็นผู้ที่มีความทุกข์ที่มันน้อยลงแล้วก็เป็นผู้ที่ มีความสุขมากขึ้นอันนี้ก็จะตรงกับสิ่งที่พู้เจ้าเนี่ยได้วางแนวไว้ให้แต่ถ้าใครปฏิบัติธรรมไปแล้วหวังลาบยศสันเสริญสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ไม่ตรงกับที่พู้เจ้าวางแนวไว้ก็อาจจะผิดหวังเพราะว่าสิ่งที่เป็นผลของการปฏิบัติธรรมกับสิ่งที่เป็นผลที่เราตั้งเป้าไว้เนี่ยมันไม่ตรงกัน เพรนันคนที่มาปฏิบัติรรมเนี่ยก็อยากจะให้รับรู้รับทราบไว้เลยว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยพระเจ้าเซตผลเอาไว้ให้ก็คือความที่เราจะเป็นผู้ที่ไม่มีทุกข์ปฏิบัติธรรมไปแล้วความทุกข์ในชีวิตเราก็ต้องน้อยลงไม่ใช่ว่าทุกข์กายนะพระเจ้าเน้นอยู่ตรงที่ว่าทุกข์ใจของเราจะน้อยลงใจของเราก็จะเป็นใจที่ เบาสบายปลอดปโปรง่งอันนี้สําคัญมากสําคัญมากยังไงก็คือเวลาทำไปแล้วเนี่ยใจเราต้องเบาสบายปลอดปโปรง่งแต่ผลของการที่มันเบาสบายปลอดปโปร่งได้เนี่ยพระเจ้าก็แยกไว้ทั้งสองส่วนส่วนหนึ่งเบาสบายปลอดปโปร่งได้มาจากการที่เรามีจิตใจที่ตั้งมั่น มีจิตใจที่มันตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ที่ดีมีอารมณ์ของการที่เราทำสมาธิเป็นต้นนะอารมณ์ของการทำสมาธิก็มีตั้งหลายอย่างมีทั้งปีติมีทั้งสุขที่เป็นผลหรืออุบเบกขาที่เป็นผลเหล่านี้แล้วก็ความทุกข์ที่มีก็จะถูกข่มเอาไว้สงบลงไปสงบระงับได้ แต่คำว่าสงบประรับเนี่ยมันก็ยังบ่งบอกถึงว่ามันสามารถที่จะกำเริบขึ้นมาได้เพรา ะ, ะนั้นความเบาสบายความปลอดโปร่งตรงนี้มันยังไม่ยั่งยืนเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ยังสามารถที่จะกลับขึ้นมาใหม่ได้หมายถึงความทุกข์ที่มันข่มเอาไว้ที่เราได้เอาอารมณ์อื่นที่ดีมาบทบังเอาไว้ มันก็จะกลับกำเริบขึ้นมาได้เพราะมันยังมีเหตุอยู่ทีนี้มันก็จะมีอีกวิธีหนึ่งที่พระเจ้าเนี่ยได้บอกเอาไว้ก็คือว่าหลังจากที่เราข่มไว้แล้วเนี่ยถ้าเรามีปัญญามารับรู้ได้ตามความเป็นจริงของสิ่งต่างๆเนี่ยเราก็จะเข้าใจมันในแบบที่มันเป็นพอเราเข้าใจในแบบที่มันเป็นได้เนี่ยเราก็จะเห็นโทษของมัน เห็นโทษในสิ่งที่เราเรารู้เราเข้าใจนี่แหละพอเรารู้เราเข้าใจว่ามันมีโทษเราก็จะไม่ไปยึดเอาไว้พอเราไม่ยึดเอาไว้เรานี่หมายถึงจิตของเรานะใจของเราเนี่ยไม่ยึดเอาไว้พอไม่ยึดเอาไว้มันก็เบาสิความเบาสบายจากการที่เราไม่ยึดไว้หรือจากเดิมที่เคยยึดเอาไว้แล้วปล่อยได้ มันจึงเป็นความเบาสบายที่ยั่งยืนแต่ใครที่ยังไม่สามารถที่จะวางได้อย่างเด็ดขาดเนี่ยอย่างน้อยๆก็รู้จักที่จะวางได้รู้จักที่จะปล่อยได้เพราะฉะนั้นมันก็ยังได้มีเวลาที่จิตใจของเราจะเบาจิตใจของเราสบายจิตใจที่พองสายได้แต่ถ้าเราทำจนชำนาญทำจนเกิดความที่เขาเรียกว่าเป็นนิสัยของใจ เป็นอัตโนมัติของใจแล้วเนี่ยมันก็จะเบาสบายได้ตลอดเวลาการที่เราจะไปให้ถึงจุดตรงนั้นได้เนี่ยวิธีการก็เยอะแ ย, ย, ยะมากมายเราไปอ่านในพระไตรปิฎกเนี่ยก็ตั้ง45้าเล่มนะส่วนถ้ามีชั้นอัธกถาที่มาอธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่คิดว่าโอมันยากเราถ้าอ่านเองเนี่ยทำความเข้าใจยากทั้งกับเขียนอธิบายมา ทำความกระจ่างให้เราเนี่ยเรามาศึกษาเนี่ยโอ้มันก็เยอะขึ้นมาอีกเยอะเลยจากสี่ก็เป็นเก้กว่าเล่มทั้งในส่วนที่เป็นเทศของครูบาอาจารย์สมัยใหม่ที่ท่านได้บันทึกเอาไว้ท่านได้เทศสั่งสอนเอาไว้ก็มีเยอะแยะมากมายเลยซึ่งครูบาอาจารย์ท่านก็เทศเออกมาจากผลที่ท่านได้ปฏิบัติไปถึงแล้ว เดี๋ยวรู้แล้วนี่เข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นเวลาฟังเทศเนี่ยเราก็ต้องฟังให้เป็นเหมือนกันทั้งปไตยปิฎกทั้งเทศครูบาอาจารย์เยอะแยะขนาดนี้เนี่ยโอ้โหสื่อที่เราจะเสพข้อมูลที่เราจะได้เนี่ยเยอะแยะเลยแล้วก็แม้แต่ปไตยปิฎกเองเนี่ยท่านก็เทศไว้อย่างกว้างขวางกว้างขวา ง, วางก็คือว่า ให้มันครอบคลุมกับคนที่มีอุปนิสัยหลายๆแบบอุปนิสัยแบบนี้ท่านก็เทศไว้ไว้แล้วอุปนิสัยอีกแบบหนึง่งท่านก็เทศเอาไว้เพราะฉะนั้นเราก็จะมีข้อมูลมากแม้แต่ครูบาอาจารย์เทศเนี่ยท่านก็เทศไปตามอุปนิสัยของท่านด้วยเราก็เทศตามอุปนิสัยคนฟังด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราฟังเทศเราก็ต้องเลือกที่จะรับเหมือนกันเลือกที่จะหัดดูหัดดู ให้รู้ว่าอะไรเหมาะอะไรไม่เหมาะกับเราไม่ใช่ว่าอะไรอะไรก็รับหมดอะไรอะไรก็เอามาใช้หมดซึ่งเราก็ต้องเป็นผู้ฉลาดในตัวเหมือนกันเหมือนกับว่าเราเป็นคนที่ไม่ถูกท่ากับของเผ็ดไงนะเวลาเจออาหารเผ็ดเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าตะบี้ตะบานกินเข้าไปก็กินได้ แต่กินให้มันน้อยเห็นคนที่เป็นเบาหวานก็ต้องรู้จักที่จะหลีกเลี่ยงของหวานไม่ใช่ว่าห้ามกินก็กินให้ได้พอประมาณไม่ให้มันเป็นพิษกับร่างกายของเรานี่แหละเพื่อนธรรมะเราก็ต้องรู้จักเลือกสารให้มันเหมาะกับเราด้วยว่าขณะนี้เรามีอุปนิสัยแบบนี้เราก็ต้องเลือกสรรธรรมะแบบนี้มาใช้ ทีนี้การที่เราฟังเทศฟังธรรมเนี่ยฟังไปแล้วเลือกสัรรมาแล้วแต่อย่างหนึ่งอย่าลืมว่าหลักที่เราจะจะใช้หลักที่เราจะใช้หมายถึงวัตถุประสงค์ที่เราตั้งเอาไว้เนี่ยตรงนี้นี่มันต้องคอยตอบย้ำคอยตือนตัวเองเอาไว้เราต้องการความสงบใช่ไหมเราต้องการความสบายใช่ไหมเราต้องการให้จิตของเราเนี่ยปล่อยวางได้ใช่ไหม พี่พูดอย่างนี้เนี่ยก็คือว่าสงบเบาสบายปล่อยวางสามตัวตัวนี้เป็นตัวที่เรียกว่าเป็นคุญแจสำคัญที่ทำให้หลักของเราเนี่ยไม่เสียไปถ้าเป็นแพก็คือเป็นแพที่มันมีหางเสือไม่ใช่ว่าเป็นเรือที่ไม่มีหางเสือก็ลอยเคว้งคว้งเวงไปไม่ใช่อย่างนั้น เพราะนั้นตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวที่คอยอควบคุมคอยกำหนดว่าเท่าไหร่ถึงจะพอดีแล้วเราก็จะเลือกอะไรมาใช้พูดแล้วก็ยังดูไม่ค่อยเข้าใจยังไม่ค่อยที่จะชัดเจนเพราะฉะนั้นก็จะอธิบายเพิ่มเติมว่าการที่เราฟังเทศเนี่ยหลักมันมีอยู่3าอันเท่านั้นแหละจะฟังเทศด้วยหรือการเสียบสื่อธรรมะต่างๆด้วย ก็มีอยู่3อันก็คือสงบสบายปล่อยวางได้นะสามตัวนี่มันใช่ยังไงมันใช้ยังไงก็คือเคยพูดแล้วเมื่อตอนที่แล้วว่าเวลาที่เราทำงานเนี่ยเราก็ต้องรู้จักที่เลือกด้วยเลือกสถานที่ให้มันเหมาะสมกับทำงานด้วยอย่างเราจะตกปลางเงี้ย เราไปนั่งอยู่ในห้องที่ไม่มีน้ำเลยแล้วมันจะตกปลาได้ไหมก็ไม่ได้เราอยากที่จะไปปีนเขาแต่เราไปอยู่บนเรือกลางมหาสมุทรมันก็ไม่มีเขาให้ปีนเพราะฉะนั้นเราอยากปฏิบัติธรรมะเนี่ยเราก็ต้องรู้ก่อนว่าธรรมะมันปฏิบัติที่ไหนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยธรรมะเนี่ยมันปฏิบัติที่ใจของเรา ถึงแม้ว่าเราจะมีร่างกายนี้ก็ตามเราก็ต้องมาปฏิบัติย้อนกลับเข้ามาในใจของเรายังไงล่ะถ้ามันไม่ปฏิบัติที่ใจเนี่ยใจเรามันจะสงบได้ไหมใจเรามันจะสบายได้ไหมใจเรามันจะปล่อยวางได้ไหมไม่ได้นะไม่ว่าเราจะจำได้เท่าไหร่ไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องจริงแค่ไหนแต่เราจำ จำนี่มันยังไม่ลงไปในใจนะมันยังไม่ใช่สมบัติของเราแต่มันเป็นสมบัติของท่านที่ท่านเทศเออกม า, ทาเทศออกมาจากความที่ท่านผ่านมันไปนแล้วแล้วก็ามาแสดงให้เราฟังเอามาเผยแผ่ให้เราได้รับรู้แต่มันยังไม่ใช่สมบัติของเรานะถึงแม้ว่าเราจะจำได้มันก็ยังไม่ใช่สมบัติของเราเพราะนั้นเวล า, วาเราฟังเทศเนี่ย สำคัญก็คือ3ตัวนี้ต้องทำให้มันเกิดขึ้นให้ได้คือสงบสบายแล้วก็ปล่อยวางได้ถึงยังปล่อยวางไม่ได้เนี่ยก็ให้มันสงบและสบายก่อนเพราะนั้นเวลาฟังเทศแล้วนี่นะถ้าเราส่งใจออกไปตามคำเทศเออมันจริงอย่างนั้นจริงอย่างนี้จริงอย่างนั้นจริงอย่างนี้มันจะสงบได้ไหมจิตเรามันจะแนวเป็นหนึ่งสงบลงไปได้ไหม มันก็สงบได้นิดหน่อยแล้วมันก็สัดสายออกไปตามความคิดปรุงแต่งแล้วก็ไปคว้าธรรมะไปปรุงแต่งธรรมะว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้พอจําได้แล้วเราก็เฮ้ยเราต้องปั้นใจของเราให้มันได้อย่างนี้สิเพราะอย่างนี้มันเจ๋งเพราะอย่างนี้มันดีเราก็พยายามปั้นใจของเราไปแล้วลืมไปเลยว่าหลักหลักจริงๆของเราเนี่ยก็คือ จิตเราต้องสงบลงไปจิตเราไม่ต้องแนวลงไปจิตเราต้องไม่สัดสายจิตเราต้องเป่าสบายและปล่อยวางได้ยิ่งท่านเทศไปเทศไปเทศไปเราก็คว้าคว้าคว้าคว้าเอาไว้คว้าอาไว้มันจะปล่อยได้ไหมล่ะจิตเราก็คว้าจิตเราก็คว้าเอาไว้ไอ้นั่นก็ใช่ไอ้นี่ก็ใช่นี่ก็ดีมันไม่ได้เป็นไปเพื่อความปล่อยวางเลย แล้วจิตเราเนี่ยมันจะเบาสบายได้ยังไงเวลาฟังเทศไปเรื่องจริงเกิดปีติขึ้นยินดีมากใจซาบซึ้งมากคราวหน้าเราต้องทำให้ได้อย่างนี้อีกคราวหน้าเราต้องพยายามทำยังไงให้มันเร็วขึ้นให้มันได้ผลอย่างนี้ได้เร็วขึ้นเพื่อจะให้มันได้ดีขึ้นกว่านี้ยิ่งทำก็ยิ่งขว า, าไว้ยิ่งทำก็ยิ่งขว า, าไว้ มันจะปล่อยวางได้ไหมมันไม่ใช่แล้วอันนี้คือเรียกว่าหลักเราเนี่ยเสียไปแล้วเพราะจริงๆธรรมะเนี่ยเป็นของปล่อยนะสมาธิก็ได้มาจากการปล่อยจึงเป็นสมาธิไม่ใช่ว่ายึดเอาไว้จึงเป็นสมาธิไม่ใช่สมาธิที่ดีสมาธิที่ถูกก็ต้องปล่อยเป็นของปล่อยธรรมะจึงเป็นของปล่อยถ้ามันไม่ปล่อย ม, ม, มันจะว่างได้ไหมมันจะว่างได้ไหมถ้ามันไม่ปล่อยของที่มันซัดสายวุ่นวายมันจะสงบได้ไหมไม่มีทางเลยเพราะนั้นทําไปแล้วอย่าลืมหลักตรงนี้ทําไปแล้วต้องปล่อยได้ต้องสงบเป็นอย่าไปตามอย่าไปหลงออกไปอย่าไปตามออกไปท่านเทศเนี่ยก็เพื่ออะไรเพื่อให้เรารู้จักจุดตรงที่ไปถึงว่า ความสงบมันเป็นยังไงพอสงบแล้วแล้วเราจะเข้าใจมันยังไงบางคนก็มีคาถามว่าเอสงบอย่างเดียวมันก็เป็นสมาธิพอเป็นสมาธิแล้วเนี่ยมันมันก็เป็นอะไรที่ติดเอาไว้คาเาไว้ไม่ถึงที่สุดปลายทางที่พระเจ้าสอนเอาไว้ได้เพราะนั้นมันต้องมีปัญญาสิต้องคิดไตรตรองก็ไม่ได้เถียงอันนี้ถูกต้อง แต่ถ้าคุณใช้มากเกินไปสัดส์สายแล้วใช้ไม่ถูกที่มันก็ผลที่ได้ดีมันก็เป็นไม่ดีไปแล้วยิ่งใช้ไม่ถูกที่ด้วยเนี่ยหมายถึงว่าไปใช้คิดไม่ได้ใช้ใจตรองเนี่ยยิ่งไม่ถูกที่เลยทำไปแล้วยิ่งปล่อยวางไม่ได้อยากจะย้ำว่าธรรมะเป็นเรื่องของใจนะ ถาใจเราไตรตรองได้ใจเราใคร์กรวนพิจารณาอันนั้นจึงเป็นการที่เราทํางานถูกที่ได้พิจารณาถูกที่แต่ถ้าเอาสมองไปคิดคิดคิดคิดคิ ด, ค, ดคิดอย่างเดียวมันก็เป็นสัญญาอารมณ์ปรุงแต่งไปเรืเ่อยๆถึงมันจะปรุงแต่งเรื่องที่โอ้โหมันอันนี้จังทุกขังอนัตตามันมีโทษอย่างนั้นโทษอย่างนี้คิดไปคิดไป คุณก็ไม่สามารถที่จะปล่อยวางได้เพราะมันไม่ถูกที่ไม่ถูกเวลาไม่ถูกตาแหน่งไม่ถูกทั้งทั้งหมดทั้งมวลมันจึงจึงไม่เกิดผลเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะปล่อยวางได้เนี่ยจริงๆแล้วมันพิจารณาอยู่นิดเดียวเท่านั้นจังหวะที่มันเห็นโทษแล้วมันก็ปล่อยเนี่ยมันนิดเดียวเท่านั้นแหละแต่สาคัญก็คือว่า กำลังของใจเนี่ยที่มันสงบเนี่ยตัวนี้มันสำคัญมากนะถ้าใจไม่สงบใจไม่มีความสงบที่มันมีกำลังเนี่ยมันไม่สามารถที่มันจะไปรู้ตัวละเอียดรู้ต้นตอรู้ที่ทำงานจริงๆรู้ที่จะเพลิดเพลิมันได้ว่าอะไรมันไม่รู้จริงๆว่าใจตัว น, นี้มันไปอยู่กับเรื่องอะไร มันไม่รู้ว่าใจเราตอนเนี้มันเกาะเกี่ยวอยู่กับเรื่องนี้ใช่ไหมหรือว่าเรื่องอื่นแน่นอนบางทีเร า, าพิจารณาเนี่ยคือคิดพิจารณาตามคําเทศเนี่ยแล้วมันจะไปหลงได้ยังไงในเมื่อบางทีใจเรามันไปข้องกับเรื่องอื่นอยู่บางทีต้องบอกอ่าพิจารณากาลลงไปให้มันเห็นว่ามันเป็นทุกข์ให้ว่าปล่อยวางใจจะได้สงบ กรับลงไปได้แต่ขณะนั้นใจเรามันไปอยู่กับความอยากนะอยากให้มันสงบพินาศกายยังงั้นยังไงมันจะไปสงบได้ยังไงเพราะเราไม่รู้เท่าทานความอยากในใจของเราว่าเราเนี่ยนะตอนนี้กําลังอยากอยู่อยากให้มันสงบเป็นกําลังเต็มกําลังเต็มใจของเราเลยแล้วก็ทําตามที่ท่านบอกเนี่ยโ oh, อย้พี่นะพี่านาพี่นากายมันเน่าเปือยอย่างนั้น มันมีกระดูกอย่างนี้มันมีเครื่องในอย่างนั้นมันไม่สวยไม่งามมันเป็นสิ่งปฏิกูลแบบนั้นแบบนี้มันไม่ว่างสักทีหนึ่งใจมันไม่เบาใจมันไม่สงบลงไปใจมันไม่ปล่อยได้ก็เพราะเราไม่เห็นตามความเป็นจริงว่าใจเราตอนนี้มันติดอยู่กับความอยากที่ใจเราเนี่ยอยากในผลใจเรามันไม่สงบระงับได้เนี่ยก็เพราะความอยากตัวนี้พะเราไม่เห็น เราก็ทำงานผิดที่พอทำงานผิดที่ผลที่ได้มันก็จึงไม่ดีแต่ถ้าเราดึงใจของเรามาตั้งอยู่กับลมหายใจได้ใจเราเนี่ยรู้ว่ากระแสใจของเรามันไหลไปตรงไหนตรงนี้ตรงนั้นตรงนั้นหรือว่าไม่รู้ว่ามันไปอยู่เรื่องอะไรแต่รู้ว่ามันไม่อยู่ที่ลมก็ทําความสนใจทําความใส่ใจสร้างฉันททักให้มันอยู่กับลมได้ พอทำได้อย่างนี้บ่อยๆมันยังสงบลงไปได้มันจึงที่จะตั้งมั่นได้ปลอบหลงได้นะแต่ไม่ใช่ยึดลมเอาไว้นะปล่อยตรงนู้นเพื่อที่จะมาตั้งตรงนี้ตั้งอยู่เฉยๆไม่ได้ยึดลมเอาไว้ด้วยมันยังสงบลงไปวิธีง่ายก็คือว่าปล่อยสิ่งที่มันข้องแวะได้มันไม่รู้ว่าข้องเรื่องอะไรก็แล้วแต่แต่ปล่อยทั้งหมดเพื่อที่จะมาอยู่ สนใจอยู่กับลมมันจึงสงบลงไปได้พมเมินสงบลงไปได้ทีนี้เราก็สามารถที่จะเอาความสงบตรงเนี้ยมาตรองพิจารณาลงไปตามที่ท่านเทศแต่ก็ไม่ได้ยึดความรู้ไม่ได้ยึดสิ่งที่ท่านเทศเอาไว้นะถ้าไหลไปตามสิ่งที่ท่านเทศเนี่ยก็เสียความสงบไปเสียความสงบลงไปทีนี้มันจะไม่ได้แล้ว มันจะไม่สามารถที่จะเอาไปปล่อยวางอะไรได้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันทำก็คือต้องสงบแนวนิ่งอยู่แล้วก็เห็นว่าเอเนี่ยมันตามความเป็นจริงอยู่อย่างนี้คือมันไม่เป็นตัวเป็นตนไม่มีเราไม่มีเขาจริงๆแค่แว บ, บเดียวเท่านั้นแหละมันปล่อยได้มันก็คือจบงานตรงนั้นไม่ใช่ว่าจะคอยคิดคิดคิด ค, ดคดแล้วก็ไหลไปตามคมเทศแล้วมันจะปล่อยวางได้ ไม่ได้หรอกเพราะมันเหมือนคนหิวข้าวนะทำงานมาทั้งวันล้าแล้วเนี่ยมันจะไปทำงานหนักๆได้ยังไงไม่ได้มันต้องรู้จักที่จะเสริมกำลังให้ตัวเองรู้จักที่จะพักด้วยาการงานเนี่ยถ้ามันไม่รู้จักพักผ่อนหรือว่าไม่รู้จักที่จะมาเสริมร่างกายให้เรามีกำลังมากขึ้นเนี่ยมันก็ทำงานได้ไม่ดี นั้นความสงบจึงเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะนั้นเราฟังเทศไปแล้วเนี่ยเราต้องตั้งสติเอาไว้อย่าให้มันหลุดออกไปตั้งเอาไว้อยู่กับความสงบให้ได้ยิ่งฟังคำเทศใจเราต้องยิ่งอยู่กับความสงบให้มันได้เลยยิ่งเราอยู่กับความสงบได้แน่วเท่าไหร่แน่วเท่าไหร่แล้วเราก็ยิ่งเห็นจิตลงไปยิ่งเห็นจิตของเร า, าไปได้ยินคาเทศ หรือไม่ได้ยิงคำเทศไม่ เ, เป็นประมาณแต่ถ้าจิตของเรามันเผลอออกไปหาคาเทศรู้แล้วว่าจิตของเรานี่หลักไม่ดีแหละล้าก็ย้อนกลับเข้ามาที่ความสงบใหม่ถ้ามันสงบระ ง, งับลงไปยิ่งแนวลงไปยิ่งแนวลงไปยิ่งเห็นจิตตัวเองรู้ว่ามันเกาะ อ, อะไรไว้ยิ่งเห็นเห็นว่ามันเกาะ อ, อะไรเราก็ค่อยๆปล่อยลงไป ปล่อยลงไปมันเกาะที่ความรู้ว่าเออมื่อกี้ได้ยินคาเทศนะว่ากายมันเป็นอย่างนี้มันจริงอย่างนี้แหละมันเป็นของไม่ดีเป็นของเน่าเป็นของเปื่อยเป็นของไม่สะอาดแล้วก็เห็นที่ใจอยู่แล้วแต่มันไปเกาะไปยึดเอาความรู้ไปยึดเอาความจริงไว้ใจเรามันยังหนักอยู่เพราะมันไปยึดเอาความจริงธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ย รู้แล้วก็ต้องปล่อยด้วยหมายถึงว่าธรรมะของพระเจ้าเนี่ยก็คือของปล่อยแม้รู้ความจริงแล้วเนี่ยเราก็ไม่ยึดความจริงเอาไว้มันจึงไม่หนักมีความจริงรู้ความจริงแล้วก็ปล่อยวางสิ่งที่เรารู้ด้วยมันจึงไม่หนักถ้าเรายึดไว้อะไรที่มันมากระทบความจริงตรงนี้อย่างเช่นเรายังไปเห็นมีตัวมีตนอยู่ พอเราเห็นว่ามันไม่มีตัวมีตนเราก็ยึดความรู้ของเราไว้ว่าเออมันไม่ใช่ของมีตัวมีตนหรอกทีนี้มีอะไรมากระทบให้ไม่พอใจพอเรามาโอ้มันก็มันมีตัวมีตนอยู่มันของไม่มีต <Alice. S 2> ัวมีตนหรอกเอ้อะไรมันจะสวยงามจริงๆมันของไม่สวยไม่งามมันเป็นของไม่สวยไม่งามอย่างนี้มันก็มีเรามีเขาขึ้นมามีตัวมีตนขึ้นมาอีกเราไปยึดในความรู้เอาไม ใจมันก็จึงหนักว่าอันนี้จริงอันนี้ไม่จริงไม่จริงคือไม่ดีไม่จริงคือของมีโทษจริงคือดีมันจึงจะปล่อยวางได้แต่ที่ไหนได้ไปยึดความจริงเข้าซะอะไรที่มันมากระทบความจริงของเราที่เราเห็นไว้เราก็จี้ขึ้นมาในใจเพราะเราไม่ปล่อยวางไม่ปล่อยวางความรู้ความเห็นที่เรามีด้วยสุดท้ายความรู้เราก็สักแต่ว่ารู้ รู้เราก็ต้องวางด้วยวางก็คือมันจริงอยู่แต่เราไม่ใส่ใจกับมันมันก็จริงตามที่มันเป็นไปมันจะจริงในแบบดีก็ปล่อยมันไปมันจะจริงในแบบที่มันให้ผลไม่ดีก็ปล่อยมันไปแต่สำคัญเราจะไปถึงตรงนั้นได้เนี่ยความสงบเนี่ยจะต้องมีเลยทีนี้พอเราไปถึงตรงนี้ได้แล้วเนี่ยฟังเทศอะไรมันก็เข้าใจไปหมดแหละ แต่ไม่ใช่ว่าก่อนจะมาถึงตรงนี้ไปคว้าคำเทศนูน่นนี่นั่นในผลที่ท่านว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วก็จะพยายามปปั้นปั้นให้มันเป็นเหมือนที่ท่านว่ามันจะไปปั้นเหมือนได้อย่างไงก็เหมือนตาบอดคาช้างอะมันยังไม่เห็นของจริงคิดไปคิดไปคิดไปมันจะทำไปก็ให้มันเหมือนกับสิ่งที่เราคิดไว้มันไม่เหมือนของจริงเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นทาไปก่อนให้มันส ง, งบไปก่อน พอมาสงบแล้วมันจริง จ, จะเห็นเฉพาะหน้าเห็นของจริงเฉพาะหน้าพอผ่านไปแล้วทีนี้ธรรมะอะไรมันก็เข้าใจหมดแหละพอธรรมะทุกอย่างมันลงมาอยู่ที่จุดจุดนี้ที่เดียวกันเพียงแต่ว่าท่านจะนำจุดไหนไปเสนอยังไงมันเป็นเป็นแนวเป็นความถนัดของแต่ละองค์แต่ละองค์ไปแต่สุดท้ายคือหลักอยู่ที่ตรงนี้ย้าอีกเป็นครั้งที่เท่าไหร่เราก็ไม่รู้แหละ ว, ว่าคือ สงบสบายปล่อยวางให้มันสงบให้ได้แล้วถ้าทำไปแล้วใจมันไม่สบายเนี่ยมันต้องมีอะไรผิดปกติแล้วมันวางมันว่างได้ยิ่งดีเพราะนั้นทำไปแล้วนี่สามตัวนี้นี่ต้องยึดไม่จะใช้คาว่ายึดก็ไม่ถูกจะต้องเป็นหลักเลยเป็นหลักฟังแล้วเพลินเพลินมันก็คือไม่หวางฟังแล้วติด ก็คือไม่หวางฟังแล้วอินยิ่งไม่ดีใครบอกอินธรมะแล้วดีไม่ใช่อินธรรมะก็ยึดเอาไว้อินธรมะมันก็ยึดเอาไว้ถ้าไม่ปล่อยมันจะว่างได้ไหมล่ะของดีรู้แต่ไม่ยึดอันนี้จึงจะถูกเพราะนั้นถ้าเกิดยิ่งในขณะฟังด้วยแล้วเนี่ยถ้าอินไปแล้วสูญเสียความสงบไปแล้ว ยิ่งไม่ถูกเพราะความสงบเสียไปยิ่งต้องสงบลงไปสงบลงไปสงบลงไปมันจะไปเห็นธรรมะข้างนอกได้ยังไงมันต้องย้อนกลับมาเห็นธรรมะในใจของเราสิของจริงคือจิตของเรานี่แหละจิตที่มันไม่รู้ตามความเป็นจริงนี่แหละต้องแก้ตรงนี้ไม่ใช่ไปเอาความจริงที่ท่านว่าที่ป่าของท่านอันนั้นมันยังไม่จริงมันยังเป็นของที่มันยังไม่จริงสาหรับเราอ่ะนะ เพราะนั้นเรามาดูเรามารู้ของจริงตรงนี้ให้มันสงบลงไปแล้วก็ให้มันเห็นที่ทำงานจริงๆของธรรมะก็คือที่ใจของเราฟังเทศจะได้ยินเนื้อหาคาเทศยังไงก็แล้วแต่วางซะกลับย้อนเข้ามาที่ใจของเราให้ได้ให้มันสงบแล้วมันให้เห็นจิตของเรา มีความสงบรักษาใจของเราดูลงไปให้มันเห็นตัวนี้แหละแหล่งธรรมะจริงๆเนี่แหละงานมันก็อยู่ตรงนี้แหละแล้วก็เราจึงจะมีความก้าวหน้าความสงบก็ไม่เสียความสบายก็บังเกิดขึ้นแล้วก็ปล่อยวางก็ที่ตรงนี้แหละพูดมาก็ดูวกไปวนมาวกไปวนมาแต่หลักๆ ก, ก็คืออยากจะให้ทั้งฟังเนี่ยได้มีหลัก สามหลักอนนี้ปฏิบัติทำไปแล้วก็อย่าให้หลงหลักตัวนี้หลักตัวนี้ต้องมั่นต้องมั่นคงมีความสงบมีความสบายแล้วก็ปล่อยวางอะไรก็แล้วแต่ที่มันคาอยู่ในใจของเรารู้ว่าใจของเรามันไปเกาะอะไรไว้เกี่ยวอะไรไว้ยึดอะไรไว้ก็ปล่อยวางไปให้มันกลับมาอยู่ที่ความสงบในใจของเราที่มันมี ทำอยู่อย่างนี้เรื่อยเืยทางของท่านฟังจะชัดเจนสว่างขึ้นมาไม่ออกนองดุนลนอกทาง